ตัดเข้าไปเนี่ยเลือดจะไม่ออกจะประหยัดคนจะไม่ช้า ม, มากหลวงพ่อเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนปีนี้ก็เลยซื้อให้ทั้งสามเครื่องนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเครื่องแรกก็คือให้โรงพยาบาลศรีนครินแต่โดยโดยมากหลวงพ่อซื้อเครื่องมือแพทย์จะซื้อให้โรงพยาบาลใหญ่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 เราเราจะบอกเป็นระยะระยะถ้าจะบอกเท่าความมาทั้งหมดคงคงจะใช้เวลานานอันนี้เพียงถึงขึ้นมาใกล้ๆนะแล้วก็เราได้ช่วยโรงพยาบาลจังหวัดน้ำวนลาพูอันนั้นกัเครื่องเครื่องช่วยหายใจอันนั้นก็ประมาณห้าแสนและก็เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือสองแสนห้าอันนี้นก็ในกลุ่มเดียวกันในเร็วๆนี่นแหละ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 มนุษย์เหล่านเนี่ยทำให้เกาะศกกรปกพวกเราควรจะกําจัดนะพอประชุมเทวดาประชุมกันว่าจะกําจัดมนุษย์ะแต่เทวดาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตนะบัณฑิตโอ้ท่าวา่าเทวดาทั้งหลายจะเอาน้ำขึ้นมาท่วมเกาะนี่เรามองเราเห็นแล้วเนาะมันขาดเมตตานะเราควรจะไปบอกเขา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 ไม่ว่ายุคใดสมัยใดนิทานหรือวัชชาดกเนี่ยเป็นกระจกเงาสําหรับให้พวกเราได้คิดถ้าพวกเราอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็ตามอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองในยุคใดก็ตามแต่พวกเราฉ้าดใจพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดดูในอนาคตของตนเองโดยมากพวกเราจะได้รับความเรือดร้อนได้รับความทุกข์ยากลําบากเมื่อปลายมือแต่พวกเรา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 สมองเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันมาตั้งอยู่ที่หัวของเราเนี่ยแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นี่อีกคนนึงที่มากดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้น่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์คือตัวหนึ่งคนนึงตัวนั้นล่ะคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นแหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆออกจากร่างนี้ไปแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาพวกเราอยากจะรู้